สำหรับคนทั่วไปคารวาสบุตตุชนคนเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงหรือไม่ใช่นักบวช <c oughs> ก็ใช้คำก็ใช้วิคว่าทานศีลภาวนาเน้นเรื่องในเรื่องการ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 ช่วยทำให้ความดือเนื้อร้อนใจลดลงแล้วยังช่วยทำให้กล่อมกล่าวจิตใจได้มากขึ้นด้วยนะเวลาเรารักษาศีลเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อลดความเห็นแก่ตัวนะทำเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น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 เพราะฉะนั้นจะทำช่วยยังไงก็ได้จะโกงเงินนะจะโกหกใครก็ได้นะมันไม่ใช่นะจริงการทำบุญก็วัดก็ดีหรือว่าการไปสังเวชนีสถานก็ดีเนี่ยนะมันเป็นวิธีการที่จะฝึกตนได้แบบหนึ่ง เช่นไปทําบุญก้าวัดนี่ก็เป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้มากขึ้นเป็นการได้ใกล้ชิดพระได้ใกล้ชิดวัดเป็นการได้ทําบุญบริจาคทานเพื่อลดความเหก่ตัวให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพจิตให้ดีขึ้นนะแล้วก็ช่วยลดกิเลส ช, นะช่วยลด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 ใจิตใจไม่ได้พัฒนาหรือว่าเกิดหลงผิดหลงพลาดนะไปทำชั่วเข้าให้การที่จะไปมีสุขติเป็นที่หมายนะมันย่อมเป็นไปได้ยากไปสังเวชฌัญสถานก็เหมือนกันนะไปเพื่อที่จะเกิดธรรมสังเวชธรรมสังเวชในที่นี้เนี่ยหมายถึง ความใคร่ครวญในธรรมสังเวนีไม่ได้แปลว่าเกิดความหดหูนะสังเวชภาษาไทยกับสังเวชภาษาบาลีไม่เหมือนกันสังเวชภาษาบาลีนี่หมายถึงการตั้งจิตอยู่ในความไม่ประมาทนะแล้วก็ไปได้เกิดกําลังใจจากการที่ได้ไปเสี่สังเวชในสถาน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 ผู้งาคือท่านได้ฝึกตนนะจนกระทั่งพ้นจากกิเลสอย่างหยาดนะที่จะทําให้ทําชั่วได้แต่ตาบใดที่ยังมีกิเลสอยูนะ่มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปอบายได้อยู่เสมอและที่มียังมีกิเลสอยู่ก็เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกตน เท่าที่ควรถ้าฝึกตนได้ก็ต้องหันมาทำความดีหันมารักษาศีลนะหันมาฝึกจิตด้วยการภาวนาการไปสังเวชนิสถานนี่ก็เป็นเป็นของดีนะแต่ย่าไปด้วยความความเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้ก็ไปกันเยอะมากนะจนกระทั่งมี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 คือไปแบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ความยากลาบากแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ธรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้ได้ประโยชน์น้อยนะแล้วยิ่งทําไปด้วยความเชื่อว่าไปแล้วนี่จะปิดอบายอันนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความหลงงม ง, ง, งายมากขึ้นการกระทําแบบนี้นี่ ถือว่าเป็นศิลปะตาปรามาตยอย่างหนึ่งศิลปะตาปรมาตยนะมันเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้เข้าถึงธรรมแต่ก่อนก็แปลกันว่ารูปครลำศีล น, นะแต่ที่จริงความหมายคือว่าความยึดมั่นในศีลอนะยึดมั่นแบบงมงายยึดมั่นแบบไม่เข้าใจ จุดมุ่งหมายของการรักษาศีลปรามานียังแปลได้อีกว่าหมายถึงการ8ดเปื้อนนะไม่ใช่ลูคบคลำนะแด <8 S 2> เปื้อน8เปื้อนด้วยอะไรแเปื้อนด้วยตันหามานาัทิทิคือถ้ารักษาศีลแล้วนะมีความหลงตนว่าเออฉันเลิศประเสริฐกว่าคนอื่นที่ไม่รักษาศีลอันนี้ก็เรียกว่า แเปื้อนรักษาศีลแบบแปดเปื้อนเหมือนกันหรือว่ารักษาศีลเพื่อจะได้ไปสวรรค์นั่จะได้เกิดความมั่งมีศีสุดคือทํำด้วยกิเลสนะกิเลส ท, ที่อยากได้ลาบยศสารเสรือแล้วก็สุขสุขในทีนสุดรวมถึงสวรรค์ด้วยถ้ารักษาศีลด้วยกิเลสนี่มันก็เป็นเป็นศิลปะตระปรามาได้เหมือนกันนะ ศิลปตปรามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังโยชน์หรือเป็นกิเลส ท, ที่ทําให้ไม่สามารถจดจากความทุกข์ได้พระโสดาบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปิดอบายแล้วเนี่ยนะท่านจะต้องมีอย่างนึงคือสามารถจะละศิลพตาปรามาได้นี้ถ้าไปไปอินเดียไปทําบุญทำกุศลด้วยความเชื่อว่าแค่ทําอย่างนั้นอย่างเดียวก็จะปิดอบายได้ ก็เท่ากับว่ายิ่งไปสร้างอุปสรรคยิ่งไปทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะปิดอบายเพราะว่ามันมีความหลงมากขึ้นาการที่จะไปลดความหลงเพื่อที่จะได้ไปเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะจนปิดอบายได้กลับมีความหลงมากขึ้นเดนิการทำดี ของพวกเราชาวพุทธจานวนมากเนี่ยทําด้วยความไม่รู้สิเยอะเช่นเมื่อไม่กี่วันก็มีคนถามว่าทําวัดสวดมนต์ต้องจุดธูปเทียนไหมนะคืออาจจะมีความเชื่อว่าถ้าไม่จุดธูปเทียนนะจะไม่ได้บุญหรือว่าจะมีปัญหาจริงๆเราทําวัดสวดมนต์เพื่ออะไรนะเราทำวัดสวดมนต์เพื่อได้ได้นะ รักษาสี่งของเราให้มั่นคงขึ้นแค่การทําวัดสวดมนต์เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ทําบาปแล้วนะเมื่อแต่ก็ตามที่เราทําวัดสวดมนต์เนี่ยก็ถัอว่าเรารักษาศีลห้าได้ครบนะนะเพราะว่าขณะที่เราทําวัดสวดมนต์นี่เราก็ไม่ไปคาดสัตตัดชีวิตใครยกเว้นเผอไปตบยุงเข้าอ่นนี้ก็ไม่ถูกในระหว่างที่เราทําวัดสวดมนต์นะเรา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 ว่าระวังจิตวางใจอย่างไรนะไปทาบุญก้าว่าดแต่ว่าเฮฮาสนุกสนานอย่างเดียวนะบุญก็เกิดขึ้นน้อยการฝึกตนก็ไม่ได้ผลมากเท่าไหร่ไปสังเวชใสถานแต่ไปแบบสบายๆนะไปแบบสนุกสนานไปช้อปปิ้งนะไม่ได้สดับฟังธรรมะหรือเกิดสังเกิดธรรมสังเวชเลยนะ มันก็เรียกว่าแทกจะไม่ได้เป็นการฝึกตนเลยการสวดมันก็เช่นเดียวกันก็สามารถเป็นการฝึกตนทั้งกายวาจาใจได้ไม่ใช่ปากพูดไปแต่ใจลอยนะประโยชน์จะน้อยก็มีเรื่องเล่าว่ามีมีหญิงชาราคนหนึ่งนะเป็นคนจีนแกก็นับถือพุทธศาสนาแบบนิกายสุขาวดีนิกายนี้เนี่ย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 ก็ไม่มีเสียงตอบจากหญิงชราคนนี้แกก็เลยส่งเสียงดังขึ้นหญิงชราคนนั้นก็สวดมนต์ที่จริงก็ได้ยินเสียงนะแต่ว่าไม่สนใจแต่พอเพื่อนบ้านนี่เรียกมากขึ้นเรียกชื่อมากขึ้นแกก็เริ่มหงุดหงิดหงุดหงิดก็ยังสวดไปอยู่เพื่อนบ้านไม่เห็น หญิงชร า, าคนนี้มาหาก็เลยตะโกนเรียกชื่อดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายหญิงชร า, าคนนี้ก็เกิดหัวเสียขึ้นมาก็เลยหยุดหยุดสวดนะแล้วก็หันไปหาหันหน้าไปหาเพื่อนบ้านนะแล้วก็พูดด้วยความโมโหโกรธถามากว่ามาเรียกชื่อฉนมาใหม่นะ ท่านกำลังสวดมนต์อยู่ไม่รู้จักเวลาเวลาแกสายอารมณ์มากนะกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนี้ก็ตกใจนะว่าหัวทำไมมาด่าเขามาพูดจารุนแรงอย่างนั้นแต่สักพักก็ตั้งสติได้แล้วก็พูดเตือนสติหญิงชลาว่าเนี่ยขนาดข้าพเจ้าขนาดฉันเนี่ยเลือกชื่อท่านเลือกชื่อคุณนี่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ ไม่กี่ครั้งเองคุณยังโกรธขนาดนี้และที่คุณเนี่ยเอ่ยนามพระพุทธเจ้านี่วันหนึ่งเป็นพันพันหมื่นหมครั้งเราไม่คิดหรือว่าพระจพระพุทธเจ้าจะคิดยังไงกับท่านจะคิดยังไงกับคุณคือนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการสวดมนต์เนี่ยถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบนะมันไม่ได้ประโยชน์นะสวดมนต์สวดมนต์ไปแต่หวังแต่ว่าเอาอ่าสวดให้ได้เยอะๆนะ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 นะความมีเมตตาศรัท ธ, ธามีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นจิงๆลการฝึกตนหรือการาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็มีอยู่สองอย่างใหญ่ๆอันที่หคือลดนะลดอกุศลธรรมในจิตใจอันที่สองเพิ่มกุศลธรรมในจิตใจมากขึ้นลดอกุศลธรรมนี่ก็มีอยู่2 อ, อย่างก็คือว่า อกุศลธรรมใดที่มีอยู่แล้วก็ทําให้น้อยลงอกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นส่วนในฝ่ายกุศลธรรมก็มีอยู่สองเหมือนกันกุศลกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีมากขึ้นนะกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ทําให้มีขึ้นการฝึกตนนี่ก็ในพุทธศาสนาก็มีแค่สองอย่างนั่นจะเห็นได้ว่า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 ทำบุญ10 บ, บา ท, ยา 100, ท 100, อยากได้ร้อยทำร้อยอยากได้พันนะเวลาทําอะไรก็คิดแต่อยากจะได้นะบุญที่มันอยากได้ประโยชน์นะที่มันเป็นลาบยศสุขสรรเสริญอันนี้มันกิเลส น, นะนะถ้าทําด้วยเจตนาแบบนี้ด้วยทัศนคติแบบนี้มันก็ไม่ได้ฝึกตนเลยนะแต่มันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสมากกว่า ชาวผู้ต้องหลักจับหลักนี้ให้ได้นะว่าเราทำเพื่ออะไรนะถ้าจะทำอย่างถูกต้องก็คือทำเพื่อที่จะลดละกิเลสในใจลดละความเพ็งแก่ตัวนะและเพิ่มปูนสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นนะถ้าทำด้วยความมุ่งหมายอย่างอื่นนะนอกจากผลดีจะเกิดขึ้นน้อยแล้วบางทีก็อาจจะเกิดโทษก็ได้ เช่นพอคิดว่าไปทําบุญ9วัดแล้วปิดอบายได้คอนิมนก็เลยประมาทไงก็เลยไม่ยับไม่ค่อยมีความยับอย่างช่างใจในการทําความชั่วเพราะคิดว่าปิดอบายแล้วเพราะนั่นฉันจะทำอะไรก็ได้จะไปโกงใครจะไปโกหกใครก็ได้เพราะปิดอบายแล้วอันนี้มันเป็นความงุนงยที่ทําให้ชีวิตถลำไปสู่ทางต่ําได้มากขึ้น พอเกิดความประมาทขึ้นหรือว่าพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะพออุตส่าห์ไปทําบุญเกวัดอุตส่าห์ทาบุญมากมายเสร็จแล้วเกิดเหตุร้ายขึ้นเช่นเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมานะเป็นมะเร็งขึ้นมาก็ตัดเพ้อต่อว่าว่าทําไมฉันทําบุญมาทั้งชีวิตนะถึงต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยทําไมต้องเป็นฉันนะ มีความโกรธแค้นเหมือนกับว่าถูกหลอกว่าให้ทำบุญแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แทนที่จะทำใจให้สงบนะกลับมีความขั้งแค้นนะมีความโมโหตีโพยตีพายว่าทำแล้วนะทำบุญแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อันนี้เขาไม่ได้เข้าใจเลยนะว่า ย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยนะที่เจ็บป่วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ป่วยเหมือนกันนะก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ป่วยเหมือนกันมันท่านก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไปอย่าไปคิดว่าทําความดีแล้วนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยพอเกิดเจ็บป่วยเข้าก็เกิดความท้อแท้นะเกิดความเกิดหมดศรัทธานในการทําบุญทํากุศลหรือว่าถึงกับเกิดความโกรธแค้น นะครูบาอาจารย์ว่าไปหลอกให้หลงผิดโกรธแค้นโกรธแห่งกรรมโกรธแค้นชะตากรรมนี่หนักเข้าไปใหญ่เลยหรือบางคนก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าเกิดเหตุร้ายอย่างอื่นนะเช่นถูกโกงธุรกิจล้มละลายหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ถึงกับโมโ ห, โหนะเลิก ปฏิบัติธรรมเลิกทําบุญเลยก็มีอย่างเมื่อเคยมีเลิกมีเคยมีเรื่องเล่า ท, ที่สุรินเนี่ยมันหลายสิปีก่อนมีการไฟไหม้ใหญ่เหตุไฟไหม้ใหญ่บ้านเมืองวดวายเป็นเรียกว่าเป็นนับสิบนับร้อยหลังผู้คนก็ซิ้นเนื้อประดายตัวกันมากมายก็มีหลายคนนะก็ตัดเพ้อต่อว่าว่าทำไมฉันอุตส่าห์ทำบุญ ให้ทานกถินภาพป่าก็ไม่เคยเละเว้นทำไมต้องมาเจอแบบนี้นะบางคนถึงกับเลิกเข้าวัดไปเลยเพราะรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนะก็มีคนมามาพูดอย่างนี้กับหลวงปูด่ดูลนะหลวงปู่ดูลนี่ท่านเป็นท่านก็อยู่สุรินเหมือนกันนะ วัดบุรพารามท่านเป็นพระที่ผู้คนเคารพนับถือมากท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นก็มีคนมาปาลบอย่างนี้กับท่านท่านก็เลยพูดว่าไฟมันทนะําตามหน้าที่ของมันนะไฟมันทําตามหน้าที่ของมันไอธรรมะเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในลักษณะนั้นคือไม่ได้มีประโยชน์ว่าจะต้องห้ามไฟไม่ให้เกิดขึ้น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 นะหรือหน้าที่ของคนมีธรรมะก็คือว่าเมื่อเจอเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกขนะ์ทำอย่างไรในที่นี้ทั้งหมายถึงการทำใจการรักษาใจไม่ให้ทุกขนะ์อย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมนะมีธรรมะแล้วนะไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดไฟไหม้จะไม่เกิดจะไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นไม่ใช่เมืนะ่อคนไป เวลาทําบุญรักษาศีลไปมีความเข้าใจว่าจะต้องนะไม่เกิดเรื่องทุกข์ร้อนเลยนะที่จริงการให้ใหทานรักษาศีลมันก็ช่วยนะไม่ให้มีทุกข์ร้อนเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนตสามารถจะป้องกันความเดือดร้อนใจได้ก็อาจสักเจ็ดสิบเอร์เซนลองนึกถึงคนที่ ไม่มีศีล น, นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยมีชู้ประพฤติผิดในกามนะชอบโกโหกหรือว่ากินเหล้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถจะทให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตได้อาอยุตัวอย่า ง, ง่ายๆแค่กินเหล้าเนี่ยกินเหล้านี่นะมันก็ทาให้สุขภาพย่าแย่ครนะอบครัวแตกแยกหรืออาจจะกลายเป็นฆาตรกรโดยไม่ตั้งใจก็ได้ ทั้งโดยอุปัติเหตุขับรถยนต์หรือว่าไปโกรธขึ้นโมโหใครเอาไม้ออกปืนไปฟาดเขานจนตายให้เพียงแค่กินเหล้าอย่างเดียวนี่มันก็มีนําพาความทุกข์มาให้มากมายแต่พองดกินเหล้าไม่กินเหล้าเนี่ยไอความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นอันแทบจะหมดหายไปเลยแต่มันก็ไม่หมดทีเดียวนะมันก็มีโอกาสที่จะเล็ดรอดผ่านเข้ามาได้เพราะว่าถึงแม้จะรักษาศีลแต่ว่า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 พลาดพลาดสูญเสียจากคนรักนะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นปกติไม่ไม่ระทมหม่นหมองจนเสียผู้เสียคนที่ทําได้ทําได้ยังไงก็พ้าฝึกตนนะฝึกตนให้มีสติฝึกตนจนเกิดปัญญาเห็นว่าโอนี่มันเป็นธรรมดาโลกนะคนเราเกิดมาก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายต้องมีความพลาดพลาดสูญเสียนะ อย่างที่เราสวดมนต์นะทุกเช้าทุกเช้านะความโศกความร่ำไรลําพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจให้ส่งเหล่านี้มเกิดก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานะมีความยึดติดถือมั่นในขันทั้ง5ว่าโดยเฉะอุปทานขันทั้ง5่าเป็นตัวทุกนะเพราะความยึดติดในอุปทานขันนะมันก็เลยทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพอประสบกับสิ่งที่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 เมื่อเราเกิดปัญญาเช่นนี้เนี่ยเวลาเกิดความพลดพลาดสูญเสียก็ไม่ทุกข์เวลาเกิดเจ็บเกิดป่วยก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะหรือแม้แต่เจอเหตุเจอสิ่งที่กระทบใจที่รุนแรงน้อยกว่า น, นั้นนะแต่ว่าจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะมีสติรู้จักปล่อยรู้จักวางได้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 บวยวายเสียงดังเลยอุตส่าห์ไปฝึกสมาธิมานะแต่ว่าไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจข้งตัวเท่าไหร่เพราะว่าโกรธขนาดนี้แล้วนี่ก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็การที่คนอื่นมาจอดรถซ้อนจอดรถขวางก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าความที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะฝึกให้นิสัยนี้มาลดลงเลย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 แต่เป็นการทําตามรูปแบบเป็นการทําด้วยเจตนาอยากได้โ น, น่นอยากได้นี่มันก็กลายเป็นการสนองกิเลสกลนเปลือกกิเลสประโยชน์ที่ได้มีอยู่นะแต่น้อยและแต่บางทีก็อาจจะเกิดโทษมากอย่างที่ได้พูดม า, าแล้วก็ผสมคนแต่เวลากนะ็ยุติเท่านี้